ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนเสนอตอนที่39ความเป็นมาของวัตปะบัญตาจำฝังใจผู้เท่าสีและพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาสนทนาธรรม เหลือมตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้อวาา ธ, ธรรมเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระองค์พริมาณรีบด่วนไปไม่งั้นแม่ก็ตายแม่ก่อนอื่นคนนี้ก็จะชิบหายแม่ก็จะตายเสด็จไปทันท่วงทีแม่ก็ไม่ตายผู้นี้ก็บรรลุธรรมปึงนั่นผลประโยชน์เป็นมหาศาลถ้าไม่ทันเสียอย่างเดียวจมทั้งสองด้านเลยแม่ก็จะตายเพราะลูกชายฆ่า และลูกชายก็ตายจากมากจากผลจม น, นรกเอเวจีฝื้นเลยเชียวเมื่อเสด็จไปทันก็ไม่ได้ข่าแม่องคุลิมาและสตียับยั้งตัวเองได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาแต่ไปที่ไหนก็มีเรื่องราวตลอดอานาตกรรมเป็นอย่างนั้นนะเพราะท่านฆ่าคนถึง999กคนที่คำรบ1 0พันก็จะเป็นแม่พระพุทธเจ้าทรงเล็งยานดูนั่น ท่านเล็งอย่างนั้นนะพอเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วรีบเสด็จไปโปรดองคุลีมานได้สติยับยั้งตนได้บรรลุเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่โต ว, ว่าองคุลิมานฆ่าคนตั้ง9ก9คนทำไมไม่ขาดอุปนิสัยในทางมารรคผลนิพพานทำไมยังได้บรรลุธรรมคนอื่นเขาฆ่าอย่างนั้นเขายังขาดอย่างนี้ก็มีข้ออ้างกันเพราะนั่น ก็คนเหมือนกันแต่องค์ุริมานนี้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นพื้นเพออันหนักแน่นมากในหัวใจเวลาข่าคนนั้นก็เทียบกันกับต้นไม้ต้นหนึ่งเราตัดจริงนั้นเข้ามาตัดจริงนี้เข้ามาจริงแต่ละจริงแต่ละใบเท่ากับคนแต่ละคนแต่ละคนเข้ามาเรื่อยๆถึงเก้าอยเก้าสิบจิงหรือ999ใบ รวมทั้งกิ่งทั้งใบนั่นแหละเป็น999แต่ไม่อาจถอนรากของต้นไม้นั้นได้ต้นไม้นั้นยังงอกออกได้สบายมันแตกกิ่งออกได้ใบมันผลิใหม่ได้ถ้าไปถอนรากแก้วเสียอย่างเดียวเสร็จหมดไม่เหลือไม้ต้นนั้นพระองคุลิมานอุปนิสัยของท่านคือรากแก้วอันใหญ่ที่ ท, ทาให้ถอนรากถอนโคนก็คือการฆ่าแม่พ่อกับแม่นั่นท่านก็ไม่ได้ทเสียกิ่งก้านเหล่านั้น ก็ไม่สามารถจะไปทำลายรากแก้วเพราะตัดแต่กิ่งแต่ก้านรากแก้วยังดีอยู่ท่านก็บรรลุทำปึ่ได้สิเรื่องมันก็มีอย่างนั้นหลวงตามหาบุญญาณสำปันโนได้เล่าจีวประวัติของท่านในขณะท่านมาอยู่ที่วัดป่าวั่นตาเอาไว้อย่างน่าฟังมากว่า ทีแรกเรามาพักอยู่นอกบ้านนู้นเขาจึงนิมนต์ให้มาพักที่ตรงนี้มีสองเจ้าภาพถวายที่ดินจึงกลายเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็สงบสงดัดดีเป็นเอกเทศประโจบกับโยมมารดาบวชชีเมื่อมีอายุครบ60ปีพอดีส่วนโยมมีดานั้นได้สิ้นชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วตอนอายุ55้าปีจากนั้นเราจึงได้พาโยมมารดาไปจำพรรษาที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเวลาหนึ่งพรรษา โยมมานดาได้ล้มป่วยลงด้วยโรคอัมาพาตจึงหวนกลับมารักษาตัวที่บ้านตากโรคของโยมแม่ถูกกับยาหมอที่อยู่บ้านจันซึ่งไม่ห่างจากจบ้านตากเรามาพักและรักษาโรคของโยมแม่พร้อมๆกันทีนี้พอนานๆานานไปก็เลยกลายเป็นสร้างวัดป่าบ้านตากขึ้นมาเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นโยมแม่ได้จากไปเมื่ออายุย่างเข้า93้าปี วันที่30พฤษภาคมปีพศักราช2525ซึ่งวันนี้เราจะทำบุญเปิดโลกธาตุรึกถึงท่านทุกๆปีวัดประบันตาเดิมมีเนื้อที่163ไร่2 ง, งานมีกำแพงกัน้นและนอกกำแพงก็พอๆกันรวมแล้วปัจจุบันเกือบจะถึง400ไร่ที่วัดกว้างขวางก็ดีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพราะวัดนี้เป็นวัดของแผ่นดินทาประโยชน์ก็เพื่อแผ่นดินทั้งนั้น ตั้งแต่สร้างวัดเราก็ทำประโยชน์เรื่อยมาถนนหน้นทางทำตั้งแต่บ้านดงเข็งเข้ามาถึงบ้านตาให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันทำเรื่อยมาถนนจากหมู่บ้านเข้ามาถึงวัดนี้ก็เหมือนกันนี่เราทำเองขอชาวบ้านขอลูกเต้าล้านเหลนนำทางมาแวกทางมาขอมาเรื่อยมาเรื่อยและก็ขึ้นค่าสินน้ำใจเขาเราไม่ขอเอาเฉยๆ เ, เราให้ค่าสินน้ำใจตอบแทน ค่าตอบแทนเราก็ไม่ให้ต่ำให้สูงไว้เสมอเสมอเพราะฉะนั้นสองฝั่งทางนี้มันจะมีหลักฝังอยู่นี่เราก็จ่ายเงินเข้าไปหมดแล้วสะน้ำหน้าวัดก็เหมือนกันเราก็ให้ทําเพื่อชาวบ้านทางสายหน้าวัดนี้แต่ก่อนมันเป็นดงนะมันไม่มีบ้านนี่เราขอไว้ก่อนเลยหลงตาบินทบาทไม่ได้บินทบาทแต่ข้าวอย่างเดียวนะแม้กระทั่งถนนหนทางก็ขอบินทบาทขอไปไหนได้หมด เขาก็ว่าอุ้ยหลงตาขออะไรได้หมดแหละและเขาก็ให้หมดจริงๆนะถนนทางมันกินกว้างเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องท่าเราขวัญขวายชาวบ้านนะอะไรที่จะเป็นไปได้เราก็ช่วยไปเรื่อยๆเราขอเขาเขาให้เราด้วยน้ําใจเราก็ต้องมีน้าใจให้แก่เขาหลงตามหาบุญญาณสัมปันโนรือเล่าถึงกูเท่าสีซึ่งเป็นทายกที่อยู่บ้านตาและมีจิตศรัทธา ทำบุญทำกุศลถวายถนนท้องทางอย่หลงตาเอาไว้ว่าการทำถนนเข้ามาที่วัดนี้สร้างวัดนี้เมื่อปีพุทธศักราช2498เดือนพฤศจิกายนเดินบุกไปตามคันนาไม่มีถนนห้องทางปีพุทธศักราช2502ผู้เท่าสีเจ้าของนาสองแปลงก็ให้ที่ดินทำถนนทำจากสะพานหน้าวัดเข้ามาให้เงินเท่าไหร่แยก็ไม่ยอมเอาผู้เท่าสีจะบอกว่าเงินไม่เอา จะเอาบุญตัดทางเข้ามาเลยเราจะอะไรให้แกก็ไม่ยอมเอาให้เป็นล้านๆก็ไม่เอาจะเอาบุญเท่านั้นคาพูดของผู้เท่าเรายังไม่ลืมฟังลึกมากนะแกบอกว่าจะไต่ไปทำไมคันนาพระตกคันนามันไม่เหมือนเด็กน้อยตกนะรีบไปทำถนนเข้าสิพระตกคันนามันเป็นบาปด้วยละแกพูดแล้วก็หัวเราะ อ, อย่างน่ารักเวลาผู้เท่าแกมากเข้ามากเข้า เราก็บอกว่าให้ตายใจเถอะนะหลับตาให้สบายหายห่วงนะหลานจะเผาศพให้เองผู้เท่านี้เป็นน้องของแม่มามีเมียอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นนาสองแปลงนี้จึงมีคุณค่ามากลึกซึ้งมากในหัวใจและในวัดนี้เพราะคุณธรรมเป็นของลึกซึ้งมากเงินล้านสู้ไม่ได้อันนี้เป็นน้ำใจน้าเงินกับน้าใจต่างกันน้าใจนี้ลึกซึ้งมาก วัดป่าบรรตาดนี้ตั้งแต่สร้างวัดมาแต่ก่อนให้รับพระมากอย่างมากแค่18บองค์เราก็ไม่เคยสนใจกับการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นสร้างเฉพาะที่จําเป็นที่อยู่กุฏิก็เป็นร้านเล็กๆมาจนกระทั่งทุกวันนี้ทำโกโก้ๆไว้สองสามหลังนี้อวดแขกนอกนั้นมีแต่กระต๊อบรื่อมา็นกระทั่งทุกวันนี้สําหรับวัดนี้เราให้เป็นวัดพงศนานล้วนๆโคงเส้นโคงวาหนาแ น, น่นด้วยข้อวัดกับปฏิบัติ หลักทําวินัยมีเครื่องคลาดพระจะมากน้อยปฏิบัติเป็นแบบอยู่กันหมดข้าเคลื่อนไม่ได้อย่างน้อยเตือนมากกว่าน้ำดุเลยจากดุก็ขับออกพระเนรมีมากต่างชาติก็เยอะเราแบ่งรับเอาแบ่งประเทศละหนึ่งองค์สององค์ไม่ให้มากกว่านั้นเพื่อพระไทยเราซึ่งเต็มทั่วเมืองไทยทุกภาคมาอยู่นี้หมดให้ได้ประโยชน์ทั่วถึงกันประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดเปิดประตูวัดได้แต่กลางวัน พอข้ามาก็ปิดประตูรถจอดข้างนอกถ้าจําเป็นที่ควรจะเข้ามาข้างในก็ให้เข้ามาถ้าไม่มีกฎเจณฑ์เหตุผลบังคับเอาไว้เลอะเทอะไปหมดมนุษย์เลอะเทอะไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายเลอะเทอะนะทําความเสียหายได้อย่างมากมายส่วนสัตว์เขาเลอะเทอะโดดลงไปเล่นน้ําในบึงในคลองขึ้นมาก็สลัดขนพวกแล้วก็ไปสบายเขาคนเราเลอะเทอะไม่เป็นอย่างนั้นมันเปื้อนเปื้อยอยู่ในหัวอกหัวใจ หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้เล่าถึงพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาสนทนาธรรมถึงวัดับวัตตากเอาไว้ว่าในตอนเช้าของวันที่ส0พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2522หองลวงตาได้สั่งกำชับพระเนรในวัดว่าวันนี้จะมีบุคคลสำคัญเข้ามาหาเราพวกท่านทั้งหลายจงพากันทำความสะอาดวัดวาอาวาสให้เรียบร้อยอย่าให้บกพร่องพระทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้น ก็ม่ได้เอะใจอะไรต่างก็ทำข้อวัตปฏิบัติไปตามปกติในบ่ายวันนั้นนั่นเองชาวนาคนหนึ่งเดินสะพายแห้เพื่อไปทอดแหหาปลามาเป็นอาหารมีรถยนต์คันงามคันหนึ่งวิ่งบึ่งมาจอดเทียบแล้วเรียกถามด้วยเสียงอนุ่มนวลว่าคุณลุงคุณลุงทางที่จะไปมัดป่าลุงตาบัวไปทางไหนไปทางนี้เดอ้อเขากล่าวห้วนๆแบบสํานวนชาวบ้าน พร้อมทั้งชี้มือและแง น, น้าดูผู้ที่ถามไทยเมื่อเขาเพ่งมองดูใบหน้าบุคคลที่เขาถามอย่างพินิษฐ์พิจารณาภาพแห่งบุคคลผู้สงายยิ่งใหญ่เทียมฟ้าในสมองเริ่มปรากฏในห้วงนึกเขาเริ่มเข่าอ่อนและซุดตัวนั่งลงกับพื้นพร้อมกับพนมมือขึ้นเหนือเสียงกล้าวกล่าวใช้คําแสดงความปลาปลื้มใจเป็นล้นพ้นล้นกล้ า, ล, ล, าล้นกระมองที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้สัมผัสสมมติเทพด้วยตาเนื้อใกล้ๆ เพียงแค่เอื้อมถึงโอในหลวงสาธุเดอร์ในหลวงสาธุสาธุทางไปวัดป่าบ้านตากของหลวงตาไปตรงนี้ไปทางนี้เขาอุทานเสียงดังน้ําตาคลอเบ้าด้วยความตื้นตันใจอยากหยุดหว่วงเวลานั้นเอาไว้หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านยินเสด็จไปที่วัดป่าบ้านตากเพื่อกราบนมันส ก, การองค์หลวงตาเมื่อถามไายสมทนาการทราบว่า ระบาดเสด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมากับพระบรมวงศานุวงศ์จากพระตำหนักภูพานพราชนิเวศเป็นการส่วนพระองค์ไม่ได้บอกแม้กระท่นานทหารใกล้ชิดทหารทั้งหลายต่างสืบข่าวเป็นการโกลาหนว่าเมื่อเวลาบ่ายโมงพระองค์ท่านทรงขับรถยนต์ส่วนพระองค์จากพระตำหนักไม่รู้ว่าสเสด็จไปณที่ใดถ้าบอกข่าวการสเสด็จมาลุ่มหน้ารัวจะเป็นการเอกรเเ ร, รกรบกวนต้องการสเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์ หลวงตาจึงให้โอวานว่ามหาบพิษพระองค์เป็นถึงพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าชีวิตของชนทั้งแผ่นดินหากพระองค์เสด็จมาโดยลําพังเมียนตะย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นความเสียหายแกชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงถ้าพระองค์เป็นอะไรขึ้นมาคนทั้งชาติจะไม่เหยียบลงตาบัวมิดแผ่นดินหรือหรือจะเป็นการรบกวนหลวงตาพระองค์กล่าวขึ้นพร้อมพนมพระหัตด้วยความศรัทธาเลื่อมใส รบ ก, กวนไม่รบ ก, กวนจะเป็นอะไรแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์พระองค์พึงมาได้ทุกเมื่อที่หลวงตาเป็นห่วงมากเช่นนั้นเพราะในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์มีอยู่ทั่วไปหลังจากนั้นอีกไม่นานเสียงรถทหารตำรวจที่สืบทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่วัดป่าบ้านตากจึงติดตามอารักขาเป็นทิวแถวชาวบ้านบางคนไม่รู้เรื่องเห็นรถทหารตำรวจบึงมาเป็นทางยาวบางคนวิ่งหนีเข้าบ้านนึกว่าเกิดศึกสงคราม